ท่านสาธุชนทั้งหลายมาตอนนี้ก็ต่อตอนที่จบตอนแรกเพราะว่าในเมื่อทั้งทุกงคู่มาน้องสองมานั่งมุงตากพระเจ้าปู่พระเจ้าปู่ก็ถามว่าพ่อกับแม่มีความสุขไหมเธอทั้งสองก็ตอบว่าพ่อกับแม่มีความทุกข์มากตอนเช้าแม่ก็ไปหาผลไม้ตอนบ่ายไม้พ่อและให้ลูกกิน ในป่าก็มีตะเหลือบจะยุงทั้งหลายและมีความลาบากไปเหมือนอยู่ในวงังพระเจ้าจกรุงพนษชัยก็ตั้งใจคิดว่าถ้าอย่างนั้นจะต้องจัดขบวนไปรับพระเวสสันดรที่ประกาศธรรมดาประชาชนทราบประชาชนชาวกรุงพิษชัยทั้งหมดเมื่อทราบแล้วก็ดีใจว่าพระเวสสันดรจะกลับอีกตอนนี้เทวดาไม่ยุงนะ แล้วแบบในเมื่อพระเอกร่อนไปแล้วลงทานมันก็หยุดคนจนกับคนรวยก็มีความลําบากเท่านี้ก็่านีคนจนก็มีกินมีใช้มีผ้านน้มผ้าห่มมีเงินทองใช่มีอาหารกินทําเวลาไอ้คนรวยมันก็ขี้เกียจหุงข้าวกินขี้เกียดเชื้อผ้าก็มาเมาที่ลงทานเขาเรียกว่าลงทานเปิดไม่ใช่ลงทานปิดไม่เฉพาะบุคคล ฉะนั้นเมื่อทราบข่าวว่าจะไปรับพระเบสันดอนคนทั้งหมดในกรุงขุนชัยทั้งหมดต่างยกขยโยงเป็นขบวนจะไปรับพระเจ้ากรุงขุนชยัยต่ตอนนี้อยู่ไว้ก่อนนะไม่ใช่หยุดไปซ่วมอยู่เรื่องราวตัวนี้ไว้ก่อนพักกล่าวถึงว่าการหาและชาลีทําไมในเมื่อพระเบสันดอนให้โชชก ถ้าชูชกรับไปทำไมจีต้องผูกต้องตีต้องต่อหน้าพ่อต่อหน้าแม่ไม่ไม่มีแม่นะ่ะต่อหน้าพ่อมาในระหว่างทางก็ขี้นก็ตีตลอดทางก็ความจริงแล้วไม่เคยรู้จักกันเด็กทั้งสองก็เป็นคนดีไม่น่าอย่าขี้นอย่าตีตอนนี้ตามพระบาลีท่้งกล่าวทั้งกฎข้องกรรมโจงจําให้ดีนะกฎข้องกลานี้มันเอาไม่เลือนว่าใคร ไม่มีใครทั้งหมดที่หนีกดข้งกัมได้อย่าลืมว่าที่คนเขาไปจดหมายมาติ้งว่าอาตจจมาเป็นนักเป็นอะไรเป็นนักวิมานเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกว่าสำ น, นักวิมานอะไรแล้วก็พูดถึงวิมานเป็นเทวดาบ้างเป็นนางฟ้าบ้างตายแล้วก็เกิดบ้างต้องเขาตายแล้วไม่เกิด ก็ขอตอบท่านเจ้าของจดหมายบอกว่าตามบาลีท่านว่าอย่างนี้พระพุทธเจ้าก่อนจะมาเป็นพระเจ้าก็ไปเป็นเวสันตดอนมาก่อนเมื่อตายจะเวสันดอนไปอยู่ชั้นรูุ้สิทธิตร ต, รตรงจาทชั้นดุสิตก็มาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าท่านว่าอย่างนี้อตาตมาเป็นสาวกของท่านแล้วก็พิสูจน์คำสอนของท่านด้วยท่านการปัญญัติปฏิบัติ ก็เห็นจริงรู้จริงตามนี้ก็เรียกว่าตามนี้ของท่านจะสูญก็สูญไปตามใจเธอะสูญไปตามลาพังเนื่องใครจะสูญก็ท่านก็ตามใจท่านไม่ขัดใจใคราอาตมาไม่สูญแน่คณะอาตมาก็ไม่ยอมสูญแน่ตายจากชาตินี้แล้วอย่างน้อยสุดข้อไปสวรรค์หรือไปพุทธโลกลลก็ปัญญานี้เขาเดวกัน จะไปนั่งมองดูงดคนศูนย์คือศูนย์จากความดีศูนย์จากนอนุสรโลกศูนย์จากสวรรค์ศูนย์จากสมบรตโลกศูนย์จากนิพพานคือลงอเวีจีมหามรกคแ่ลงโลกกันไปเอาคุยกันต่อไปว่าเด็กตั้งสองที่ต้องถูกแบบที่งเพราะว่าสมัยก่อนไอไม่เห็นหมนะั้ยะตายแล้วเกิด สมัยก่อนก่อนที่กัญหาและชาลีจะมาเกิดเป็นกัญหารลชาลีในตอนนั้นท่านบอกว่ากัญหาและชาลีเกิดเป็นลูกของชาวนาชาวนาตามธรรมดาตอนเชา้าไถนาและตอนสายก็ปล่อยควายแต่ที่เข้ากล้ามีอกรณหนึ่งมีแปลงหนึ่งกัญหาและชาลียังเป็นเด็กเขาเรียกว่าพอใช้ได้อายุตั้งเก้าขวบสิบขวบ พ่อแม่ให้ดูดูข้าวกล้าเรื่องไฟจะมากินมันก็มีควายแก่ตัวหนึ่งเขาไม่ใช้งานแล้วเขาปล่อยทําอัตยาใส่มันก็มากินข้าวกล้าทหาราชาลีก็ไปไล่ไล่มันก็ไปในเมื่อมันไปแล้วทาหารชาลีกลับมันกลับมากินใหม่มันก็ทําอยู่อย่างนี้ท่านผู้ใหญ่บิดามันนาก็ดูเด็ก ไม่ดูเข้ากลา้าดเพียนิดเดียวทําไมดูไม่ได้เพียงเท่านี้ตอนนี้เด็กทั้งสองก็มีความโกรธเจ้ควายแก่ว่าจะควายแก่ทำให้เราต้องเตน็ดเน่อยทั้งวันไล่มันไปแล้วมันก็ไปเรากลับมามันก็กินเข้ากลา้าพ่อแม่ก็ด่าก็ดุทีหลังเอาอย่าง้ก็แล้วกัน หาเชือกไว้เคิดว่าถ้าเจ้าควายแก่มาเมื่อไหร่จะจับเจ้าควายแก่สนตภไยร้หน้าผูกติดกัต้นไม้เขี้ยนให้เข็ดมันจะได้เข็ดก็เป็นไปตาม น, นั้นจริงๆวันรุ่งขึ้นเจ้าควายแก่ก็มาใหม่ขหาชาลีก็ไปจับเอาเชือกร้อยจมกูกแล้วผูติดกับต้นไม้ เอาไม่เร็วตีจนหน้ำใจเจ้าควายแก่มันก็เจ็บถ้าปล่อยเจ้าควายแก่มันก็ไปต้นบัดนั้นเป็นต้นมาเจ้าควายแก่ก็ไม่มารบคนอีกเนี่แบรรดาลเทพุทธบริษัทเจ้าควายแก่ตัวนั้นมันมันมาเกิดเป็นโชชกนั้นในสุดเด็กต้องสก็มาเกิดเป็นกัญหาราชาลีในเมื่อเขาเวทสั้นดอนบอกให้โชชกจะตัดชิ้นใจว่า ไอ้เจ้าสองคนนี่เป็นลูกเจ้าลูกนายถ้าเราไม่บังคับคขู่เข็นให้กลัวตั้ ง, ตงแต่บัดนี้ต่อไปมันจะเป็นนายเราไม่จะคนรับใช้เราต้องบังคับคขู่เข็นไม่ตั้งแต่เริ่มต้นยังเอาเถาวันมาผูกข้อมือแล้วไม่เดียวตีนี่เขาบรรดาญาโยตนาไหลายโปรดทราบตามนี้ด้วยนะแล้วต่อมากันหาแลชาดีก็บอกว่าจะปู่เพราะเวลานี้ พ่อแม่ทั้งสองมีความลำบากมากพระจะบปู่ก็สั่งยกทัพทั้งหมดเป็นจาตรุรงข้าศนาคือทัพเดินเท้าทัพช้างทัพมา้าทัพรถจัดเฉลียงคือวอวอเจาฟ้านะอย่างสวยงามสวยงามถ้าพร้อมไม่ต้องประชาชนเป็นกองทัพหมดเมือง หมายความทั้งทหารทั้งใบาชาชนทั้งเด็กผู้ให ญ, ญ่ไปกันหมดเวลานั้นจะใครจะเข้ามาร่วงร่้นกลุงขอน chai ก็สามารถจะทําได้เพราะไม่มีเฮลิเอะเพราะการจะไปรับพระเวสสันดรทุกคนดีใจมากว่าถ้าพระเวสสันดรกลมาแล้วคงตั้งโรงทานใหม่พวกเราที่อิ่มหนี้ที่มันนี้อดมานานพระเวสสันดรไปสักหลายเดือนในอดมานานทำบากมากตอนนี้เห็นคนพระเวสสันดร หาความจริงเขาเห็นอยู่แล้วไหนที่เขาไม่เห็นแนวเทวดายุ่งต่อมาพระเจ้ากุมพชายก็จัดกระบวนเดินไปตามเขาก็กฎไปตามที่พระเจ้าหลานน้องสองนำทางกองทัพบนใหญ่ต้องค่อยๆค่อยๆไปขณะที่ไปเขาหยุดได้แค่นี้ก่อนหยุดกลางทางก่อนทัพไม่หยุดจะเรื่องต้องหยุด ก็กล่าวถึ้งนา้นพระนางมัทสีเมื่อชูโชคนําเด็กทั้งสองไปแล้วเทวดาที่แปลงเป็นเสือสองสองเสือสิงหนึ่งสิงก็หายไปหลีกไปพรนางมัทสีก็กลับมาหาพเพื่อท่านดอนที่ตอนกลับเข้ามาในความจริงตามเวลาทุกวันเมื่อกลับเข้ามาแล้วเด็กทั้งสองก็กำลังหาและชาลีจะวิ่ออกไปรับหน้ามแม่แต่วันนี้เงียบ ไม่มีลูกมารับก็เข้าไปหาพระเวสสันดรดอกไม้ถวายแล้วก็ถามว่าลูกไปไหนตอนนี้พระเวสสันดรคิดในใจว่าถ้าเราพูดตามความเป็นจริงว่าให้เด็กทั้งสอบไปกับจูชกพระนางมัตสีเป็นผู้หญิงใจอ่อนอาจจะสลบมจถึงชอกตายก็ได้ก็จึงไม่พูดหนึ่งเสียไม่ยอมพูด พนามสซีเขเทียวเรียกหาลูกตั้งสองกันหาราชาลีอยู่ไหนแม่อยู่นี่แม่มาแล้วมาเขาจะมาหาแม่นาที่สุดทั้งเกือบครึ่งวันก็ไม่มีกันหาราชาลีเจ้หันเข้ามหาพระเวสสันดนใหม่ตอนนี้พระเวสสันดนก็พูดตั้งใจคิดว่าถ้าพูดตรงๆพูดดีเธอจะเสียใจมากต้องทําให้เธอมอโหเสียจะได้ไม่เสียใจ ที่นี่กลาก่างเขานังมัสสีว่าเจ้าไปทุกวันกลับมาตอนสายแต่วันนี้เวลามันเลยไปเกือบจะค่ํำถ้าทําไมจะไม่มาเข้าใจเข้ า, เ ข, าเข้าไปในป่าไปพบคนทันไปมีชู้ก็แล้วกันไปมีชู้กับคนทันในป่าไอ้คนไทยัน ห, หมายว่าคนเจ้าชูเขาพูดฉันจัน เพียงเท่านี้พระ น, นางมัทสีก็เสียใจถึงสลบเวีสันดอนก็ตกใจต้องแก้ให้ฟื้นเมื่อลูปหลังรูปไหลาจนทั้งฟื้นดีแล้วพวกก็บอกตามควา ม, มนจรงิงว่าลูกต้องสอนหน้าความจริงพี่ให้โชกไปแล้วเพื่อเพื่อเพื่อเพื่อทิยานถ้าไม่อย่างนั้นถ้าไม่ให้ลูกให้เมียเป็นทานจะเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้พระ น, นางมัทสีก็โมทนา ขอ้ขอค้าขอเก่าวทั้งกมดคงกรรมตามตามเทศเรื่องมัตนามัตสีพิลาบหมายความมัชสีลาพระเวทสันดรจะนิพพานพนาวัตสีนี่ต่อมาก็เกิดเป็นนางก็มาเกิดเป็นพระอาหารหันนะภายหลังเมื่อพระเจ้าอุบ่ายขึ้นแล้วในโลกแล้วก็ท่านก็มาเกิดเป็นพัญญาเขาเศรษฐาราโจมาน ถ้วต่อมาก็เป็นพระรานตอนที่เป็นพระานแรกจะนิพพานก่อนพระพุทธเจ้าก็ต้องละอเปำละคราดถึงโทษต่างๆ น, นี่ทำมาขอภยัยตอนหนึ่งมากล่าวถึงตอนเรื่องของพระเวชชันดอน <c oughs> ว่าเอ <c oughs> ตอนนั้นที่ถูกเวชชันอนต่อว่าเพราะกฎของกรรมคือว่าในสมัยหนึ่งนางกับพระเวชชันดอนเกิดเป็นนกกระจาบ นางนกกระจาบจะออกลูกก็ออกไข่แล้วก็ขอไข่ให้มีลูกนกกระจาบผู้เป็นสามีก็หวังว่าในเมื่อพัญยามีลูกก็ต้องการของหอมของชื่นใจจึงจะไปนำเอาเกรสรดอกบวมาให้ก็บินเป็นบินไปสระสะหนึ่งมีดอกโบวดอกใหญ่ ก็ไปเกาะที่ฝักแล้วก็จิกดอกบัวจิกจิกใจสอนบัวนั้นจะนำมาให้เมียงก็พอดีเจ้าดอกบัวดอกเอ๊ะดอกบั ว, ก, ก, บวกลุ่มนั้นต้นนั้นดงทั้งด ง, ด ง, ด ง, ดงนั้นมีลักษณะแปลกพอพระอาทิตย์ขึ้นมาก็บานพระอาทิตย์ตกมันก็หุบตอนนั้นเวลานั้นที่พระเวสชนดอนเป็นนกกระจาบกําลังจิกเจสอนอยู่พระอาทิตย์ตกพอดี ไอ้กรีบบัวก็อบควบมาเพระเวสันดอนก็ตกอยู่ในกรบบัวออกมาไม่ได้ต้องค้างอยู่ในในกรบบัวนั้นเมื่อตอนเช้ากรีบบัวกลางขึ้นมาก็บินกับมหาพัญญาไอ้เจ้ากรีนแกสอนมันก็หอมไปทั้งตัวพัญญาก็โกรธสามีหาว่าไปติดผู้หญิงใหม่ก็ต่อว่าทุบบ้างตีบ้าง แต่สามีก็ไม่ว่าอะไรก็บอกตามความจริงว่าฉันไม่ได้ไปมีชู้ใหม่ไม่ได้ไปมีเมียใหม่ไม่เห็นใครดีกว่าเธอนอกจากที่ว่าดอกบัวมันไม่เปิดฉันก็มาไม่ได้พนามาสีก็ไม่ฟังทั้งดุทั้งด่ทงดาทั้งว่าทั้งตีพระเม่ตงก็เฉยก็ถือว่าสติที่มีขอดบุตรใหม่ก็มีอารมณ์เสียได้ไ ง, ไง่าย นีน่ระบรรดา ญ, ญาโยมพุทธบริษัททั้งหลายชี่พนามัสีตั้งถูกพระพุทธนดนดุด่าว่าหาไม่มีชู้เขาขัดข้องกรรมมืสมัยเป็นนกกระจาบเอาเล่ากันต่อไปอคุยกันต่อไปทีหลังก็มากล่าวถึงพระเจ้ากรุงค้นชัยพระเจ้ากรุงข้นชัยก็เดินทับค่อยๆเดินมาใช้เวลาหลายวัน เข้ามาใกล้ภู เ, เขาเขาองกตที่เวชชันดอนอยู่ขณะนั้นพระเวชชันดอนเห็นกองทัพใหญ่มาก็คิดในใจว่ากองทัพนี้ใหญ่มากมีจัดตรุรงองเสนาด้วยมีประชาชนมากมายก็มีความรู้สึกว่าบรรดาเมืองทั้งหลายอาจจะมีความรู้สึกว่าเราเข้ามาอยู่ป่ามาบวชที่เมืองมีแต่พ่อแจแล้ว อาจจะยกทัพมายึดพระนครกรุงหัวนไช่ไว้ได้เมื่อทราบว่าเราอยู่ที่นี่เขาคิดว่าเราอาจถ้ามีชีวิตอยู่เขาอาจจะรวบรวมกาลังพลไปตีกับก็าได้จึงยกทัพมาเพื่อจะกลับเกิดความกลัวเพื่อเกิดความกลัวมาก็บอกกรนาว่าทีว่าจงรับหน้าของทัพนะฉันจะหลบไปข้างหลังก่อน ในตอนนี้บรรดา ญ, ญาโยพระตัสใร่เป็นกฎข่งกรรมเหมือนกันทางดู้วกฎกรรมเล็กๆแน้อยมันเอาไม่เลือกคนดีอย่างพระเวชนดอนมันยังเอาเลยอย่ามหาวีระที่ผู้เถียมันก็เอาทุกวันมันเล่นทุกวันอะเฮยขี้เกียจ บ, บ่นมันท่านบอกว่าในสมัยหนึ่งพระเวสชนดอนเป็นกษัตริย์วันวันนั้นทรงเรียกพระนคร การเรียบพระนครนี่เป็นขบวนใหญ่เดินไปบังเอิญมีพระองค์หนึ่งท่านไม่รู้ข่าวท่านเดินสวนทางมาทว่าวท่านนอนจะบอกอา ม, ามัดว่าเจริญมุลพระให้หลีกทางหน่อยถ้าเกิดความกลัวก็หลีกทางไปไกลเพียงแค่นี้บรรดาญาโยมพุทธบุตสัตว์ทั้งหลายเมื่อขบวนของพระเจ้ากลังพรใจไปถึง ก็ไปเห็นอไอ้กัปย์ดนบันดาให้พระเวสสันดรกลัวกองทัพหลบไปอยู่ข้างหลังอสมขอโทษขอย้อนหลังอีกนิดนะที่ไม่มีหนังสือมาอขอย้อนหลังหน่อยก่อนที่พระกรุงัชชัยจะเข้ามาถึงย้อนหลังสพิหน่อยตอนนี้มากล่าวถึงพระอินทร์พระเวสสันดรให้ลูกเป็นทานแล้วยังไม่ให้เมียเป็นทาน พี่ก็มานึกว่าพระ น, นามวัดสีเป็นหญิงที่มีความดีมีวาสนามบารมีสูงถ้าบัาเอิญมีใครมาขอเข้าพระเวทเส้นดังก็จะให้ไปอีกเพราะต้องการาพระภูติยานฉันจึงได้แปลงเป็นพราห ม, มาเขาเรียกอินทรพราหมาขอพระ น, นามวัดสีพระเวทเส้นดัก็ถวาย เมื่อให้แล้วคำว่าให้แต่ยังไม่ถวายนะพระฤาษีดาก็ให้ให้แล้วท่านก็แปลงเป็นพระอินทร์ามเดิมท่นบอกว่าพระนามัดศรีที่เป็นของผมแล้วนะผมขอถาไวายไว้กับท่านเพราฝากไว้ว่าถ้าใครมาขอจงอย่าให้เพราะเป็นของผมแล้วใครมาขอต้องรับอนุญาตจากผมก่อนถ้าต้องการพรอะไรบ้าง ถ้าเวทท่านอาวบอกต้องการพรแปดประการเอาอย่างง่ายๆคือวันหนึง่งคอให้กลับไปคลองเมืองโก้ก็ใช้ตามเดิมประการที่สองให้มีทรัพย์สมบัติมากแจกทานในตามสบายพระอิน์ก็ให้ให้แล้วต้องกลับไปฉะนั้นมัทธนาวสีก็ปลอดภัยคือเป็นอิสรภาพใครจะมาขอไม่ได้อีกแล้วจะขอจ้าไปขอพระอินร์ พิถูเอ้ยพรินทร์แท้ๆจะใครเคยเห็นตัวบ้างนอกจากหนกระดาษที่เขาเขียนตัวเขียวเือแต่ความจริงถ้าไม่เขียวตามนั้นหรอกถ่ายใช้มงกฎที่มัน ม, มรกฏจริงจะเขียวเพราะสมีเขา ม, มารกฏประแผ่ลงมาถ้าเวลาถอดมองกรอันนั้นแล้วมงกุร ม, ม, มาใสก็สีตามเดิมชี้ทนขาแล้วก็เหลือง เหลือมากก็รวมความว่าหลังจากพระอินไปแล้วพระนายพระสิบอิสระเขามาพูดถึงพระเจ้าจกุงขนชัยใระเจ้ากลุงขนชัยก็ในหลานน้องสองนำไปขึ้นไปหาพระนามาสีไปตะไปตาลาพังใ น, นเมื่อพระเวทสันดอนเห็นว่าไม่ใช่ใครเป็นพ่อเพื่อมาไม่มีใครคุมมา ก็พยายาเอามารวมกันไปหกษัต ย, เ ย, า ย, ยา์เพื่อนพระเจ้ากน้ชายจับชายาเพื่อนระนางาวสีขณะไราชาลีหกษัตย์รวมกันมาถึงต่างคนต่างก็เสียใจร้องไห้ร้องไปร้องมาไม่พอสลบไปเลยดีใจสลบไปทั้งหมดทับทั้งกองทับก็สลบหมดดีใจสลบพราะดีใจไม่ได้เสียใจ ตอนนั้นเทวดาตกใจเนี่ยคนนับแสนก็สรุปรูปแบบนี้ถ้าเราไม่ช่วยก็จะตายไปเลยก็จึงบรรดให้พุปลกกรณีปลกกรณีตกลงมาไอ้พุปลกกรณีเนี่ยมันมีน้ําชีดแดงให้ข้าน้ำน้ำเท้านกพิราบถ้าใครต้องการให้เปียกมากก็เปียกมากใครต้องการให้เปียกน้อยก็เปียกน้อยใครไม่ต้องการไม่ไม่ต้องการให้เปียกก็ไม่เปียก ก็เป็นอันว่าเมื่อฝนตัวนี้ตัรุมาและชุ่มชื่นในรัทั้งหมดต่างห้อก็ต่างฟื้นพระเจ้ากรุงพ้นชัยก็เชิญพระเวสสันดรขึ้นขึ้นขึ้นว่นนอช่อฟ้าประชา ช, าชนเข้ามานเัศการมากราบมาไหวมาดีใจมบูชาโอ้ต อ, อนนี้รับไหวไม่ไหวมึงก็ไหวคุกก็ไหวทั้งเวสสัดนดรก็ยำแย่เหนื่อยเพระกัรรับการรับไหว เขาไหว่บ้างเขากราบบ้างเขากอดบ้างเขาจับบ้างย่ําแย่อยู่พัคใหญ่ต่อเมื่อเขาคลายความดีใจแล้วทุกคนก็เชิญพระพุทธนดรขึ้นบัวเจ้ฟ้าพากลับพระนครต่อมาพระวุทธนดอนก็เป็นกษัตริย์ตามเดิมโดยประชาชนตั้งให้เป็นกษัตริย์ตามเดิมเพรานั่นว่าเรื่องพระเพุทธนดอนนี้ก็เป็นเรื่องของประชาชนเหมือนกัน จะเป็นการเต็มใจและไม่เต็มใจของประชาชนตาลําพังแต่ตอนตูกเข้ามาเนี่ยไม่ใช่ประชาชนเทวดายุง่งเทวดาเทวดาบันดาลให้เขาเกลียดพระเยสสันดรทั้งๆ ท, ที่พระเวสสันดรเป็นคนน่ารักควรจะบูชาพระเวสสันดรเพราะมีกินมีใช้พระเวสสันดรหิวข้าวก็มีข้าวกินหิวขนมก็มีขนมกิน ไม่มีผ้าผ่อนท้สบายใช้ก็มีกินมีใช้ไม่มีเงินมีทองขอได้มีเงินใช้อย่างนี้คนยังไม่เห็นใจก็เต็มทีแล้วต่างคนต่างก็รักพระเบิดอนเขากล่าวช่างปัจจัยนาเขนปัจจัยช่างปัจจัยนาที่เมืองอะไรก็ได้เขาขอยืมไปไปที่ด้านฝนก็ตกต้องตามฤดูกาลเขาทํานาทําไรกันได้ดีมาก เขาก็ทำช่า ง, งกลับมาถวายตามเดิมกลับคืนให้ <c oughs> ต่อมาพระเวทตอนมนได้ครองเมืองแล้วก็ใช้ช่างเป็นพานะตอดูลงทานต่อไปมาชายชูก็ทํานาหาได้ร่ํารวยรวยก็จริงแหละแต่ว่ากอดเห็นจก่ตัวไม่ได้รวยก็จริงแงต่ ว, ว, ว่าเวลาหิวข้าวมาลงทานดีกว่า ก็มีกับข้าวไร่อย่างไม่ต้องทํากินนี่เป็นอย่างนี้คนเป็นะ่างนี้นะ <c oughs> ไม่มีเสื้อไม่มีผ้าใช้แทนที่จะไปซื้อพ้าตังที่เรามีเก็บไว้ก่อน <c oughs> ไปขอที่โรงทานดีกว่าต้องพอโรงทานจ่ายวันหลายสายอาบันนะก็พอกินพอใช้สำหรัคนเป็นอาว่าในเมื่อเพื่อนกลั บ, ลบมาแล้ว ทุกคนก็มีความสุขเพราะทุกอย่าง็มีความสุขอรามบรรดาญาโยพุทธบริษัทยังไม่จบเรื่อจบแล้วแต่เวลามันยังไม่จบก็ขอคุยบรรดาท่านหลายว่าขึ้นชื่อว่ากฎของกรรมแม้แต่กรรมเล็กน้อยก็จงอย่าคิดว่ามันจะไม่มีผลดูตัวอย่างนางอมิตดาเวลาจะบูชาพระชช้ดอกไม้แก่ ให้ดอกไม้อะไรก็ตามที่มันเหียเห่ยวๆมันจะแ ก, แก่มันจะไม่ใช้แล้วก็ไปบูชาพระผลที่ได้คือว่าก็เกิดมาทีหลังมีผัวแก่คือชโชชกโชชกก็แก่พิเศษคือไก่แก่ครบไม่ได้โคตรในข้องอนในกระดูกรูปร่างไม่น่ารักเมันก็เหมือนก็เหมือนว่ามันก็เหมือนกับดอกไม้เหี่ยวไม่มีความเปล่งปลั่ง ต่อมาภายหลังเธอกลับใจว่าการบูชาพระมันมีอานิสงส์เทาดอกไม้ที่สวยๆบูชาดีกว่าจึงจัดดอกไม้สดไปบูชาพระตอนนี้ไปเหตนนางเวรดาได้ผลนมนี่แค่ดอกไม้เท่านั้นนะมายังเอาผลึั้งขนาดนี้นี่มากันหาและชาลี ขหะและชาลีทั้งสองนี่ความจริงเธอก็ไม่ผิดเจ้าควายแก่มันทําให้เธอต้องถูกดถูกตาทุกว่ามันเข้ามากินข้าวกล้าของพ่อแม่เธอไล่มันก็ไปแลงครั้งเธอกลับมาใหม่มันก็มากินใหม่ผู้ใหญ่ก็ดุเธอก็จับมันเขี้ยนเขียนจนน้ําใจเธอเปิดไปเจ้าควายแก่ก็เข็ด บทคุ้มกรรมเพียงเท่า น, นี้บรรดาท่าพุทธบริษัทขนาดไดชาลีไอ้ควายมันไม่ไเกิดเป็นโชชกขนาดไดชาลีเพราะเด็กตัสาวก็เกิดเป็นขนาดไดชาลีในเมื่อพระเวสสันดรมอบใหอ้อาจูโชชกจังไรมาเท้วันผูกมัดมือสัตวทีก็เขี่ยนตีต่อหน้าคอคาเกิดเกิดเกิดริมตาบาแตกอย่างนี้ถือกรรมหนักไปนิดหนึ่ง ว่าดอกไม้ขขงทำนางเมตตรดาความจริงเราคิดว่าไม่น่าจะเป็นท่บรรทา่านบรรดา ญ, ญาโยมพุทธบริสัทธ์หลายถ้าจะทำอะไรเราก็คอยคิดเรื่องนี้ไปบ้างให้ประการหนึ่งการที่เขาไวทสทันดอนกลัวกองทัพความจริงเรื่องนี้ไม่น่าจะเป็นจะเป็นผลของกรรมแต่มันก็เป็น ในเมื่อสมัยหนึ่งถ้าเป็นกษัต <c oughs> ริย์ทรงเรียบพระนครมีขบวนใหญ่มีพระท่านเดินสวนทางมาการที่พระเดินสวนทางมาในท่านไม่รู้แล้วก็อยฉั น, นดอนก็ไม่ได้ดุไม่ได้ดา่าแค่หมาดวิ่งไปบอกพระท่านบอกขบวนนี่มันใหญ่มากจะลำบากกับพระ พหพระตะหลิบทองตามซะหน่อยเพื่อนกบฏไม่ค่อยให้เหลเอาไว้กว้างเพือ่อนกบฏพระเกิดความกลัวนั่นเป็นความกลัวของพระหลบไปมาชาติหลังนั่เป็นเหตุเป็นปัจจัยเขาเป็นตัณฑกลัวของท้าของพ่อนี่มันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะเ่าวรึงทูชกนิดหนึ่งเรื่องลืมพ็ลืมไปทูชกในเมื่อได้รับสมบัติแล้ว เขาเจ้าภูมใจก็ดีใจเลี้ยงใหญ่เอาข้าวปลาทั้งข้าวทั้งขนมมาเลี้ยงใหญ่เอ็กโ ช, ชกชโชกแกเป็นขอทานไม่เคยกินของดีๆก็เลยกินแค่เต็มที่กินทันเลยกําลังเ อ, เอาโรคการย่อยย่อยไม่ทันเลยเป็นลมล้มตายเมื่อตายแล้วเขากากับหาหญาติคนทูชกขามารับสมบัติในเมื่อไม่มีญาติสมบัติก็ตกเป็นข อ, ขอหลวงตามเดิม ถ้าราบันดาญาโยมพุทธบริษัทได้เวลาพอดีแค่ครึ่งนาทีไม่เป็นไรขอรดาญาโยมพุทธบริษัททั้งหลายถ้าจะทําอะไรก็นึกถึงเรื่องพระเวสสันดรบ้างนะเพราะขึ้นชื่อว่ากฎของกรรมมันไม่เว้นแม้แต่ไข่แม้แต่พระเจ้าไปงคเอาเท่าที่พูดเรื่องพระเจ้าเรื่องจะยาวไปใหญ่ขขเขาอยู่ทีท่ตเพินตรงนี้ ข, ข, ขอความสุขสวัสดิพิพัฒนะมงคลส ม, มลบูรณ์ผล จงมีเดบันดาท่านพระศาสนิขจรผู้รับฟังอ่ทุกท่านสวัสดี